ญาติโยมทั้งหลายในพรรษาการในที่นี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในภาคแรกนี้จะเป็นเรื่องของธรรมะปัญญาจะเป็นธรรมะบัญญาในเรื่องของปัญหาพระยามิลินเป็นการสนทนากันระหว่างพระเจ้ามิลินกับพระอรหันต์นาเคเตน ในวันพระนี้ก็เป็นวันพระที่สามจากวันพระที่แล้วพระเจ้ามิรินก็ไปนสนทนาธรรมกับพระนาคเสด็จในเรื่องของตอนที่หนึ่งเรียกว่าเปิดประเด็นการสนทนากันมีการถามไถ่กันเรื่องชื่อมีการถามไถ่กันในเรื่องของการนับอายุพรรษา มีการถามไถยกันในเรื่องของอานิสงส์ของการบวชและมีการถามไถ่กันในเรื่องของการสนทนาภาทีกันต่อไปนั่นเป็นเรื่องของตอนที่หนึ่งในเรื่องของตอนที่หนึ่งนั้นญาติโยมทั้งหลายก็จะเห็นว่าเป็นการสนทนากันแบบลองเชิงกันมากกว่าทดสอบไหวพริบกัน ทั้งพระเจ้ามิลินและทั้งพระเจ้าทั้งพระอา ร, าหารหันต์นาคเกษว่าใครจะมีไหวพริบชั้นเชิงเหนือกว่ากันแต่ในที่สุดแล้วก็มีความพอกันแต่ดูเหมือนว่าพระอา ร, าหารหันต์นาคเกษนั้นจะมีชั้นเชิงเหนือกว่าเหนือกว่าพระเจ้ามิลินที่แหละพระเจ้ามิลินนั้น พยายามที่จะค่มคู่ก้าวร้าวพระอรหันต์ทั้งหลายจึงทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นอยู่ในเมืองสาคนหนีไม่ได้ต้องหนีออกไปอยู่ในเมืองอื่นต้องหนีออกไปอยู่ในป่าหิมพานต์เพราะทนความก้าวร้าวของพระเจ้ามิรินไม่ได้แต่พอมาเจอพระอรหันต์หน้ากนเกษรเข้าก็ทำให้พระเจ้ามิรินนั้น ก็อ่อนข้อลงไปก็สอบไปนี้ก็จะเป็นบทสนทนาตอนที่สองในเรื่องของนามรูปในเรื่องของนามรูปซึ่งในบทสนทนาตอนที่สองในเรื่องของนามรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสางภาพวิปัสสนาในการปฏิบัติวิปัสสนาของเรา ครันขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้โปรดตั้งใจฟังให้ดีเพราะเราจะต้องเอาในเรื่องนามรูปนี้เอามาประพฤติเอามาปฏิบัติในเรื่องของวิปัสสนาต่อไปในเรื่องของนามรูปนั้นปัญหาแรกที่พระเจ้ามิริญได้ถามพระอารหันต์นาเกษส ว่าเป็นเรื่องของความหมายของนามรูปถามในเรื่องของความหมายของนามรูปว่าอะไรคือนามอะไรคือรูปมีพระเจ้ามิลินได้ถามพระนาคเกษว่าอะไรคือนามอะไรคือรูปซึ่งก็เป็นเรื่องของความหมายของนามรูปนั่นเอง พระนาเกษก็ได้ตอบพระเจ้ามิรินไปว่าส่วนที่ละเอียส่วนที่รันีตส่วนที่เป็นธาตรู้เป็นความรู้สึกเช่นจิตแปลเจตสิกอันนั้นคือนามเป็นส่วนที่ไม่มีสรีระ เป็นส่วนที่ไม่มีสเลละไม่มีร่างกายเป็นธาตรู้เป็นธรรมชาติที่รู้เช่นจิตหรือวิญญาณและเจตสิกนั่นเป็นมาส่วนที่ยาบส่วนที่หยาบไม่ใช่เป็นธาตรู้รู้อะไรไม่ได้เลย มีแต่แตกสลายอย่างเดียวส่วนนั่นเป็นรูปนี่พระอรหนอันต์นาคเสกเนก็ได้ตอบพระเจ้ามิรินไปอย่างนี้พระเจ้ามิรินก็ถามต่อไปอว่ามีคำกล่าวว่าในสิ่งที่มีชีวิตนั้นนามอย่างเดียว หรือรูปอย่างเดียวนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้จะต้องมีทั้งนามทั้งรูปเสมอในสิ่งที่มีชีวิตนั้นนามอย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียวเกิดขึ้นไม่ได้จะต้องเกิดขึ้นพรอ้อมด้วยกันเสมอคือทั้งนามทั้งรูปเป็นความจริงแค่ไหนอย่างไรที่พระเจ้ามิรินก็ถาม พระนาคเสศนไปอย่างนี้พระนาคเสศนก็ตอบว่าจริงนามอย่างเดียวหรือรูปอย่างเดียวเกิดขึ้นไม่ได้เหตุทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งนามและรูปนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดนั่นก็คือนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนาม เมื่อทั้งสองอย่างต้องอิงอาศัยซึ่งกันและเกิดซึ่งกันและการเกิดแล้วจะเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดเพียงแค่อย่างเดียวไม่ได้เมื่อเกิดนามรูปก็ต้องเกิดตามขึ้นมาเมื่อเกิดรูปนามก็ต้องเกิดตามขึ้นมานี่รานหน้าเกษตรก็ได้ตอบพระจ้าจไม่ลินไปอย่างนี้ ในเรื่องของนามและรูปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการในภาคปฏิบัติวิปัสชนามากมีความสำคัญในภาคปฏิบัติวิปัสชนามากเพราะในภาควิปัสนานะั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าตัวทุก ตัวทุกข์ที่แท้จริงตัวทุกข์ที่รวบยอดก็คือตัวที่จิต ด, ดวงนี้หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรรมนี่โยมต้องโปรดจาตัวนี้ว่าให้ดีตัวทุกข์รวบยอดหมายความว่าทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่ตัวทุกข์ตัวนี้ตัวเดียว ถ้าจะว่าไปในอรยิยสัจสี่แล้วก็ตัวทุกตัวนี้เป็นตัวทุกที่สิบสองในเรื่องของอรยิยสัจสี่นั้นในเรื่องของทุกนั้นพระสัมมาพุทธเจ้าได้ชี่ลงไปที่ตัวทุกสิบสองประการด้วยกันและตัวทุกรวบยอดนั้นคือตัวที่จิตตรงนี้หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามหรือขันธ์ห้า ว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราตัวนี้เป็นตัวทุกข์รูปยอดและถ้าสามารถละคลายปล่อยวางรูปนามขันห้าลงได้แล้วทุกทั้งหลายก็จะดับลงทันทีถ้าจิต ด, ดวงนี้สามารถละคลายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันห้าได้แล้วทุกทั้งหลายก็จะดับทันทีดับสนิท ไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นในภาควิปัสสนาเราก็ทราบว่าก็คือภาคปัญญาเราจะต้องปฏิบัติให้เกิดความรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงวารูปนามขัน่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเป็นสิ่งที่มันไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลย เป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้าไปยึดมัน่นหรือมัน่นใดๆทั้งสิ้นแต่ขณะนี้จิตมันหลงจิตตรงนี้ของเรามันหลงมันไม่รู้ความจริงของรูปนามไม่รู้ความจริงของรูปของนามว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามแล้วก็ไม่รู้พฤติกรรมของรูปนามที่แท้จริงจิตตรงนี้มันจึงหลงเข้าไปยึดมัน่นหรือมัน่นในรูปนามทุกทั้งหลายมันจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในภาควิปัสสนานั้น พระสมัยพระเจ้าให้เราพิจารณาอยู่แต่รูปกับนามเท่านั้นพิจารณาอยู่แต่รูปกับนามเท่านั้นจนกระทั่งสามารถละคลายปล่อยวางความยึดมั่นถรือมั่นรูปนามได้นั่นแหละถึงจะหมดหน้าที่บทภาระของรูปนามหรือของนามรูปเปรียบเสมือนว่าขณะนี้ในภาควิปัสสนานี้ท่านให้เราเอารูปนามหรือนามรูปนี้ เป็นพาหันะที่จะข้ามฝั่งจากฝั่งสังสารวัตไปยังฝั่งพระนิพพานให้เอานามรูปนี้เป็นพาหันะที่จะข้ามฝั่งจากฝั่งสังสารวัตรไปยังฝั่งพระนิพพานเมื่อถึงฝั่งพระนิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นแหละถึงจะให้ปล่อยนามรูปในขณะนี้เราจะต้องเอานามรูป พิจารณาอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาต้องอยู่กับจิตของเราจะต้องอยู่กับนามรูปไปจนกว่าเมื่อถึงฝั่งพระนิพพานแล้วนั่นแหละถึงจะให้สลักทิ้งนามรูปถึงได้บอกว่าให้เราเอานามรูปเป็นเปรียบเสมือนเรือเป็นพาหนะข้ามฝั่งจะฝั่งสังสา ร, รวัฏไปยังฝั่งพระนิพพานและเมื่อถึงฝั่งพระนิพพานแล้วต้องให้สละเรือทิ้งฝั่ ไม่ใช่ว่าถึงฝั่งแล้วยังต้องแบกเรือขึ้นฝั่งอีกไม่ปไปจนกว่าเมื่อถึงฝั่งพระนิพพานแล้วเนี่ะถึงจะให้สละทิ้งนามรูปคือได้บอกว่าให้เราเอานามรูปเป็นเปรียบเสมือนเรือเป็นพาหนะข้ามฝั่งจากฝั่งสังสารวัฏไปยังฝั่งพระนิพพานและเมื่อถึงฝั่งพระนิพพานแล้วต้องให้สละเรือทิ้งไป ไม่ใช่ว่ถึงฝั่งแล้วยังต้องแบกเรือขึ้นฝั่งอีกไม่ใช่เมื่อถึงฝั่งแล้วต้องให้ทิ้งนามรูปหมดเลยเพราะฉะนั้นนามเรื่องของนามรูปนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในภาคปฏิบัติวิปัสสนาโยมจงทําความเข้าใจในเรื่องของนามรูปนี้ให้ดีนี่นามรูปมีความสําคัญอย่างนี้อีกประการหนึ่งนามนั้นนามรูปนั่น เป็นปรมัตาธรรมเป็นปรมาธรรมเป็นธรรมชาติอันแท้จริงเป็นธรรมชาติธรรมชาติอันแท้จริงฝ่งนามรูปนี้รือรูปนามนี้ก็มาจากขันห้ามาจากขันห้าขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณนี่คือขันห้าจากขันห้านี้ย่อลงมาแล้เหลือเป็นนามรูปหรือเป็นรูปนามย่ออย่างไรย่ออย่างนี้รูปในขันห้าก็คงเป็นรูปตามเดิมส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาแล้วเป็นนาม น่ย่ออย่างนี้นามรูปนี้เป็นปรมัติ์เป็นปรมาธรรมเป็นธรรมชาติอันแท้จริงย่อมาจากขันห้าขันห้าเป็นบัญญัติธรรมเป็นบัญญัติธรรมเป็นธรรมะที่พระสมมาผู้เจ้าบัญญัติขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อก่อนหน้านั้นไม่มีชื่อเรียก ไม่มีชื่อเรียกมันเกิดอากับกิริยาอย่างนี้ขึ้นมาพระสมมาผู้เจ้าต้องการที่จะอธิบายอากับกิริยาอย่างนี้ให้เราเข้าใจพระสมมาผู้เจ้าจึงได้บัญญัติชื่อขึ้นว่าเป็นขันหะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวนิญญาณซึ่งขันหะนี้รูปเวทนาสังขารรูปเวทนา กัญญาสังขารวิญญาณนี้พระสมมาพระเจ้าได้บัญญัติชื่อขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจพัติกรรมที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเรานี้เมื่อก่อนนี้ไม่มีชื่อเรียกจึงเรียกว่าเป็นบัญญัติธรรมเป็นบัญญัติธรรมแล้วบัญญัติธรรมนี้มาจากไหนบัญญัติธรรมนี้ก็มาจากสมมุติธรรม ธรรมชาติที่มนุษย์เราสมมุติเกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งอาจจะมีเป็นล้านล้านลาน้ลานชนิดเมื่อผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเราแล้วหรือเป็นบัญญัติธรรมขันธ์ห้านั่นก็หมายความว่ า, วาสมมุติธรรมธรรมชาติที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมา่สมมติเกิดขึ้นมานั้นน่ะ จะอยู่ในลักษณะของหกประการต่อไปนี้หนึ่งอยู่ในลักษณะของรูปที่ตาสามารถมองเห็นได้นี่เป็นสมมติที่หนึ่งสมมติที่สองอยู่ในลักษณะของเสียงที่หูสามารถได้ยินได้สามอยู่ในลักษณะของกลิน่นที่สามารถ ดมได้ด้วยจมูกสี่อยู่ในลักษณะของรสอาหารที่ลิ้นได้ด้วยลิ้นห้าอูลักษณะของโหดทัพทะที่สัมผัสได้ทางกายและหกอยูลักษณะของธรรมารมณ์ที่สัมผัสได้ทางใจดังนั้นรูป ก, ก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดี รสก็ดีโหดพะพก็ดีธรรมารมก็ดีเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นสมุตินั้นในโลกนี้ซึ่งในลักษณะของสิ่งที่เป็นสมุตินี้เราก็จะมองเห็นไปว่าเป็นตัวตนของสัตว์ของบุคคลต่างๆหมายความว่ า, วามีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เป็นสมมติและสิ่งที่เป็นสมมติทั้งหมดเหล่านี้เมื่อกระทบสัมผัสมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหลือเป็นขันห้าเท่านั้นสิ่งที่เป็นสมมติทั้งหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่เรามองเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานั้นนะ่ะเมื่อกระทบสัมผัสผ่สผานมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเหลือเป็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นอย่ญญางเราจะเห็นว่าในขันห้านี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขา และจากขันหน้าย่อลงมาเหลือเป็นปรมัตธรรมนามรูปก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่แท้จริงปรมาที่เป็นปรมัตธรรมนั้นน่ะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาประการหนึ่งที่มนุษย์เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันหน้านั้นน่ะ เนื่องมาจากสมมติเราเคยไปยึดมั่นถือมั่นในสมมติว่า น, นี้เป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนี่เป็นตัวตนเราเขาก็เลยยึดมั่นต่อเนื่องมาถึงรูปนามขันธ์ห้าด้วยนี่เป็นความเข้าใจผิดของจิตดวงนี้ของเราเป็นความงโง่ของจิตดวงนี้ของเราไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นสมมติอะไรเป็นบัญญัติอะไรเป็นปรมัธิ จึงมายึดมัน่นถือมันในรูปนามขันธ์ห้าระนั้นยมลองลำดับภาพดูให้ดีรูปนามขันธ์้านั้นเป็นกรมัตนั้นหนายความว่าธรรมชาติแท้จริงแล้วนะ่ะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาใดใทั้งสิ้นมันมีแต่นามกับรูปเท่านั้นหรือมีแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาใดใดทั้งสิ้น ที่โดยความปรมัจา์โดยความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงหรือโดยบัญญัติขันท่าก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานั้นน่ะเราเห็นโดยสมมุติไม่ขอโยงพยายามระดับภาพอย่างนี้ให้เข้าใจเราเห็นโดยสมมุติเท่านั้นเอง แต่โดยบัญญัติโดยปรมัตดแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาที่ก่อนอื่นต้องแยกแยะอย่างนี้ซะก่อนโยมเพราะงั้นจิตตรงนี้มันยังหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์หน้าแบบเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาอยู่มันจึงเข้าไปยึดมั่นอยู่มันจึงเข้าไปยึดมั่นอยู่มันจึงต้องทุกข์อยู่ยังดับทุกข์ไม่ได้ ถ้าตราบใดที่ยังมองเห็นเป็นสัตเป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขายังมองเห็นเป็นสมมติอยู nah, ่แล้วแล้วก็มันดับทุกข์ไม่ได้ถ้าจิตตรงนี้มันยังหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ใช่กาไปหลงกาไปยึดมั่นถือมั่นในชาตินี้เท่านั้นมันหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่พบชาติก่อนก่อโน้นมาตลอดมาตลอดจิตตรงนี้มันโง่มาตลอดโง่มาหลายพบหลายชาติ แล้วการที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมั่นแหละที่ท่านสมมาชิกผู้ชาวกลาดว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ดันั้นก่อนอื่นต้องยมต้องพยายามแยกแยะอย่างนี้ให้พอใจแยกแยะสิ่งที่เป็นสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาใช่ในเรื่องของสมมุติแล้วแล้วก็มนุษย์เราไปสมมติกันขึ้นทั้งนั้นเลยสมมุติเป็นสัตว์สมมุติเป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเป็นตัวตนของผู้นั้นเป็นตัวตนของผู้นี้ แต่โดยบัญญัติหมายความว่าสิ่งที่เป็นสมุตินั้นเมื่อผ่านกระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นบัญญัติขันห้าแล้วเราก็มันเหลือแค่ห้าอย่างเหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาใดๆทั้งสิ้นและนอกจากนั้นแล้วจากขันห้าย่อลงมาแล้วเป็นปรมัตา์เป็นธรรมชาติอันแท้จริงแล้ว เสืองอย่างเสือนามรูปเป็นนามรูปเทนั้นเพราะนั้นโยมต้องมองสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ให้เห็นเป็นปรมัตธรรมใครเดินมาถ้ายังเห็นว่าเป็นคนเดินมาเป็นสัตว์เดินมานั่นยังเป็นสมมติใครรู้ถ้ายังเห็นว่าเรารู้มันยังเป็นสมมุติถ้าเป็นปรมัตธรแล้วถามว่าใครเดินมารูปเดินมาใครรู้ นามรู้ใครนั่งรูปนั่งใครรู้นามรู้ใครนอนรูปนอนใครรู้นามรู้มันมีแต่รูปกับนามเท่า น, นั้นนม่โยมต้องเข้าให้ถึงปรมัติอย่างนี้เข้าถึงนามรูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญหาที่พระเจ้าไม่รีบถามหน้าเกษรข้างหน้าเกษรนั่นนะเป็นปัญหาที่สูงนะโยมถามเรื่องของนามรูป อะไรทือนามอะไรคือรูปนี้ประการหนึ่งนี่ประการหนึ่งเท่า น, นโยมต้องพยายามทําความเข้าใจให้ดีอีกประการหนึ่งที่พระเจ้ามิลินถามพระนาคเกษว่าที่เขากล่าวกันว่าสิ่งที่มีชีวิตนั้นน่ะนามหรือรูปอย่างหนึ่งอย่างใดยอย่างเดียวเกิดโดยโดยโดเดี่ยวไม่ได้ เกิดโดยโดดเดี่ยวไม่ได้จริงหรือขณะกระเสงก็ตอบว่าจริงในสิ่งที่มีชีวิตแล้วนามรูปจะต้องเกิดด้วยกันเสมอเกิดด้วยกันดับด้วยกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเหตุทั้งนี้เพราะว่าทั้งนามในรูปนั้นอเองอาศัยซึ่งกันและกันเกิดนั่นก็คือนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูป รูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามเมื่อเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดตามขึ้นมาทันทีและเมื่ออีกอย่างหนึ่งอย่างใดดับไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดับไปทันทีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มีชีวิตอย่างมนุษย์เรานี้นามรูปเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันนั่นหมายความว่าในสิ่งที่มีชีวิตอย่างเรานี้นามรูปเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา โยอมจะมองเห็นพฤติกรรมอย่างนี้ได้ในภาควิปัสนาในภาควิปฏิบัติวิปัสนาตุลนั้นอธิบายอาจจะอตมาอธิบายอย่างนี้โยมก็อาจจะยังไม่เข้ า, ขาใจต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้เห็นเองเพราะนั้นตามปกตินั้นนามรูปเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน จะเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้จะเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นี้ประการหนึ่งนี่คือในเรื่องของความหมายของนามรูปที่พระเจ้ามิรินถามพระอรหันต์นาคเกษปัญหาต่อไปในเรื่องของนามรูปนี้พระเจ้ามิลินถามพระนาคเกษในเรื่องของจิจของนามรูปว่านามรูปนี้มีจิจ กระทำอะไรเป็นเรื่องของจิตของนามรูปนั้นก็คือพระเจ้าหแม่พระเจ้ามิวินได้ถามพระอรหันต์นาคเกษรว่าเมื่อตากระทบรูปก็ดีหูกระทบเสียงก็ดีจมูกกระทบกลิ่นก็ดีลิ้นกระทบรสก็ดีกายใจสัมผัสถูกต้องก็ดีใจรู้อย่างเดียวหรือใจรู้อย่างเดียวหรือว่า มีผลอันสุดเนื่องมาจากทางอื่นด้วยเพราะตามปกตินั้นแหละเมื่อมีรูปมากระทบตาใจก็รู้ว่าเห็นมีเสียงมากระทบหูใจก็รู้ว่าได้ยินมีกลิ่นมากระทบจมูกใจก็รู้ว่าได้กลิ่นมีรสอาหารมากระทบริ้นใจก็รู้ว่าได้รับสัมผัสรสนั้น กายใจสัมผัสถูกต้องกันเหมือนกันใจก็จะเป็นผู้รู้ว่ามีการกระทบสัมผัสทางกายทางใจพระเจ้ามิรินถามว่าใจรู้อย่างเดียวใจทำหน้าที่รู้อย่างเดียวหรือเป็นผลมาจากทางอื่นด้วยพระเจ้ามิรินก็ตอบว่าไม่ใช่ใจรู้อย่างเดียวมาจากการกระทบสัมผัสระหว่างตากับรูป มาจากการกระทบสัมผัสระหว่างหูกับเสียงมาจากการกระทบสัมผัสระหว่างกลิ่นกับจมูกมากระทบสัมผัสมาจากการกระทบสัมผัสระหว่างลิ้นกับรสมาจากการกระทบสัมผัสระหว่างโผดผภากับกายและมาจากการกระทบสัมผัสระหว่างธรรมรงกับใจมันหมายความว่าทันทีที่ตากระทบรูปจะเกิดวิญญาณทางตาขึ้น แล้ววิญญาณทางตานั้นก็สื่อมาอย่างทางใจใจเป็นผู้รู้ว่าเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นนะโยมมี่ต้องนักปฏิบัติต้องเข้าใจให้ดีนะ ท, ทันทีที่มีรูปมากระทบตาแล้วใจรู้ว่าเห็นนั่นนะใจเป็นผู้รู้ว่าเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นนะ ท, ทันทีที่เสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณทางหูขึ้น แล้วก็สื่อไปให้ใจรู้ว่าได้ยินใจเป็นผู้รู้ว่าได้ยินนะไม่ใช่หูเป็นผู้รู้ว่าได้ยิน ท, ทันทีที่กลิ่นมากระทบจมูกเกิดวิญญาณทางจมูกขึ้นแล้ววิญญาณทางจมูกนี้ก็ส่งไปให้สื่อไปให้ใจเป็นผู้รู้ว่าได้กลิ่นไม่ใช่จมูกได้กลิ่นนะ ท, ทันทีที่รสมากระทบลิ้น ก็เกิดวิญญาณทางริ้นขึ้นวิญญาณทางริ้นนี้ก็ส่งไปให้ใจเป็นผู้รู้ว่าได้รับรับทันทีที่โพธิพะมากระทบกายก็เกิดวิญญาณทางกายขึ้นวิญญาณทางกายนี้ก็ส่งไปให้ใจเป็นผู้รับรู้ว่ามีการกระทบเคิดเคลอเกิดขึ้นและทันทีที่ทำมาลงมากระทบใจก็เกิดเป็นวิญญาณทางใจขึ้นส่งไปให้ใจเป็นผู้รู้ ว่าบัด น, นี้มีธรรมารมณ์มากระทบใจเพราะนั้นการที่รูปมากระทบตาหูเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นกายใจสัมผัสถูกต้องนั้นนะ่ะเกิดยัญญาทั้งห้านี้ขึ้นมาก่อนเรียกว่าระษา ท, ทั้งห้าสัมผัสทั้งห้า สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ส่งไปให้ใจเป็นผู้รู้ส่งไปให้ใจเป็นผู้รู้ไม่ใช่ใจรู้อย่างเดียวต้องมีการเกิดมีการกระทบสัมผัสกันขึ้นมาก่อนทีพระเจ้าพระน่ากเกษรก็อธิบายให้กับพระเจ้ามิลินไปอย่างนี้พระเจ้ามิลินก็สงสัยอีกว่าถามต่อไปอว่าแล้ววิญญาณทั้งห้านี้น่ะกับใจ ใครเกิดก่อนใคเกิดก่อนวิญญาณทั้งห้าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายเกิดขึ้นก่อนหรือหลังใจที่เป็นผู้รับรู้พระนาคเกษมก็ตอบว่าวิญญาณทั้งห้านั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ถึงจะส่งให้ใจเป็นผู้รับรู้ พระอาจารย์มเป็นคนที่ขี้สงสัยก็ถามพระน่ากเกษรอีกว่าอ๋อวิญญาณทั้งห้ากับใจนี้มัดกันไว้หรือว่าเมื่อวิญญาณทั้งห้าเกิดการรับรู้แล้วก็จะส่งจะส่งให้ให้ใจรับรู้ทีหลังพระน่ากเกษรก็ตอบว่าไม่ใช่มัดกันว่าพระนาาเกษรก็ถามพระเจ้ามิรินว่าตามธรรมดาถ้าฝนตกเนี่ย น้ำฝนมันจะไหลไปทางไหนพระอาจารย์มิลิงก็บอกว่าตามธรรมดาเมื่อฝนตกแล้วน้ําฝนมันก็จะไหลลงไปในทางที่รุ่มที่ใดเป็นที่รุ่มน้ําฝนก็จะไหลไปทางนัง้นพระน้าตเสงก็ถามต่อไปอว่าแล้วฝนตกครั้งที่สองแล้วฝนตกครั้งที่สองนี่น่ะได้นัดกับครั้งที่หนึ่งไว้หรือเปล่าว่าจะไหลไปในรวมในที่ ท, ท, ที่เดียวกันทางเดียวกัน พระอาจารย์มือดึก็บอกว่าไม่ได้นัดกันไว้เป็นเป็นโดยอัตโนมัติเป็นไปนโดยธรรมชาติว่าที่ใดเป็นที่รุ่มจะฝนจะตกจีเครื่งก็ต้องไหลไปที่นั่นขระนาคเกษมก็ตอบว่าชั้นใดก็ดีเมื่อวิญญาณทั้งห้าเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วก็ไหลไปสู่ใจใจนั้นเปรียบเสมือนเป็นที่รุง่งเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่มีใครจัดการ ท, ทันทีที่รูปมากระซอกตา ก็เกิดวิญญาณทางตาขึ้นแล้วก็ไหลไปสู่ใจเพราะใจเป็นที่รุ่มเสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณทางหูขึ้นก็ส่งไปให้ใจเป็นผู้รับรู้ว่าได้ยินเพราะใจเป็นที่รุ่มทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างจะละเอียดโยมแต่ นักปฏิบัติแล้วจําเป็นต้องศึกษาจําเป็นต้องศึกษามิฉะนั้นแล้วเราไม่รู้พฤติกรรมที่แท้จริงของนามรูปเราก็ยังติดดตรงนี้ก็ยังหลงที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในนามรูปอยู่ดีมันจําเป็นต้องศึกษาเพราะฉะั้นตามปกติแล้วนั่นธรรมะ แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระสมมาทูตเจ้าเอาออกไปจากกายซึ่งกว้างศอกยาววาหนาคืบอันนี้ไม่ได้เอามาจากไหนเพราะฉะนั้นธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นก็คือเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวความเป็นจริงแท้ของชีวิตเพราะฉะ น, นถามว่าผู้หนิงผู้ใดเข้าใจว่าไปเข้าใจว่าธรรมะ ในพระพุทศาสนาเป็นเรื่องเอิ่มไม่ใช่เรื่องราวของชีวิตแล้วผิดทั้งหมดนะคุณโย่เป็นเรื่องราวของชีวิตทั้งนั้นเลยทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องราวชีวิตของตนเองก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องราวชีวิตของตนเองว่าความเป็นไปของชีวิตของตนเองเป็นอย่างไร เห็ไหมพระมพุทธเจ้าท่านละเอียดมากเข้าไปสรัสรู้แล้วก็เอามาสอนเราแม้กระทั่งในเรื่องของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสเพราะฉะนั้นตามปกตินั่นนะ่ะใจเป็นผู้รู้ว่าเห็นใจเป็นผู้รู้ว่าได้ยินใจเป็นผู้รู้ว่าได้กลิ่นใจเป็นผู้รู้ว่าได้รสใจเป็นผู้รู้ว่ามีการสัมผัสถูกกล้องทางกายแต่ส่วนมากคนเราก็ยังหลงไปว่าตาเห็นหูได้ยิน จมูกได้กลิ่นริ้งได้รด ถ, ถามโยมว่าคนตายคนที่ตายแล้วน่ยมีตาไหมมีหูไหมมีจมูกไหมแล้วขณะที่คนตายนั่นนะ่ะอยู่นอนตายอยู่นั่นนะ่ะมีภาพมาให้มีรูปมามีภาพมามีสีมาถามว่าคนตายเห็นไหมมีเสียง คนตายได้ยินไหมเอาไม้ไปตีสักทีหนึ่งคนตายร้องไหมนั่นก็แสดงว่าตาไม่ได้เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กร่นใจต่างหากเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้ได้ยินใจเป็นผู้ได้กร่นใจเป็นผู้รู้การกระทบสัมผัสทางกายทางใจ ที่คือเรื่องราวของจิตของนามรูปที่คือเรื่องของนามรูปที่พระเจ้ามิวินได้สนทนากับพระนาคเสสน์อัตมาก็ได้บอกโ ย, ยมแล้วว่าเป็นค้อเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนลึกซึ้งการที่อัตมามาพูดเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีนั้นน่ะก็คงจะไม่สามารถทําให้โยมได้เข้าใจได้อย่างละเอียดที่อัตมาก็พยายามพูด อย่างง่ายๆแล้วก็เพียงแต่กระตุ้นให้ยากโยมทั้งหลายได้ถ้าใครที่จะปฏิบัติในภาควิปัสสนาเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาในการที่จะดับทุกข์ต่อไปนั้นต้องเรียนในเรื่องต้องศึกษาในเรื่องของนามรูปอย่างที่อาตมาได้กล่าวมาคร่าวๆแล้วนี้เมื่อเกิดปัญญารู้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้แล้วใจดวงนี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในนามรูป เกิดความเบื่อหน่ายในนามรูปอยากหนีอยากออกจากนามรูปนั่นแหละคุณจะสามารถดับทุกข์ได้แต่ถ้าเมื่อใดใจดวงนี้มันยังไม่เกิดความเบื่อหน่ายในนามรูปแล้วก็แปลว่ายังเข้าไปยึดมัน่นหรือมั่นในนามรูปยงอยู่ดับทุกข์ไม่ได้คุณโยมดับทุกข์ไม่ได้ เอาล่ะสำหรับในวันนี้อาตมาภาพก็ได้กล่าวถึงบทสนทนาตอนที่สองระหว่างพระเจ้ามิรินกับพระนาคเกษในเรื่องของนามรูปได้สองเรื่องว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องความความหมายของนามรูปเรื่องที่สองก็คือเรื่องของจิตของนามรูปป็นเรื่องของนามรูปยังไม่จบคุณโยจะต้องขออนุญาตต่อไปในวันพระหน้า ใน พ, นพระธา้าก็ยังเป็นเรื่องของการสนทนาในเรื่องของนามรูปต่อไปซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกต้องขออภัยที่โยมบางท่านอาจจะไม่เคยได้ปฏิบัติมาก่อนแล้วก็อาจจะยังฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรหรอกคุณโยมคุณโยมพยายามฟังแล้วก็เอาไปโย น, นิโสมนันทิการคุณโยมจับประเด็นได้ประเด็นหนึ่งประเด็นใดได้แล้วก็ เอาไปโยนิโสมานั่งสิกายนำไปคิดภายในใจให้แยกคายทำความเข้าใจในประเด็นนั้นนั้นโยมก็จะค่อยๆเข้าใจในเรื่องของนามรูปที่แท้จริงต่อไปสำหรับต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่เหลืออยากจะให้โยมได้ปฏิบัติจิตภาวนาต่อไปการปฏิบัติจิตภาวนานั้นคุณโยมอย่าลืม ว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่สมาธิก่อนเสมอต้องพยายามทําจิตของเราให้เกิดความสงบเป็นสมาธิการที่จะพยายามให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธินั้นโยมต้องใช้สติจับไว้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าให้พลาดจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ มันก็คืออย่าส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าส่งจิตไปในอดีตอย่าส่งจิตไปในอนาคตให้อยู่กับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าออกนั่นเป็นส่วนหนึ่งของกายย่อมอยู่ในกายนี้และลมให้ใจเข้าออกนั่นเป็นปัจจุบันตลอดเวลาเมื่อโยมตั้งสติไว้กับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็แปลว่าจิตของคุณโยมอยู่ในภายในกายนี้ จิตของคุณโยมอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาถ้าสติของคุณโยมมั่นเข้มแข็งจิตของคุณโยมไม่ออกไปข้างนอกเลยจิตของคุณโยมไม่ส่งไปในอดีตเลยไม่ส่งไปในอนาคตเลยไม่ช้าไม่นานกิจของคุณโยมก็จะสงบเป็นสมาธิการสงบเป็นสมาธินั้นขั้นแรกขั้นต้นก็สงบได้ชั่วขณะหนึ่ง จิตมันยังจะแวบออกไปข้างนอกบ้างแวบปานาดีบ้างแวบปานานาคตบ้างเอาพุ๊บโทดึงกลับเข้ามาล้วตั้งสติจ้องจับไว้กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวและสิ่งุงโยงจมจะสงบได้นานขึ้นนานขึ้นจนทั่งขึ้นมาถึงขั้นกลางชั้เร็จกว่าอุปจาระสมาธินานจิตมันยังจะมีแวบออกไปข้างนอกบ้าง นานๆจิตยังจะมีแวบออกไปในอดีตบ้างนานาคตบ้างก็ให้รู้ให้เร็วมีสติรู้ให้เร็วเอาพุโทโธดึงกลับเข้ามาแล้วตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่เมื่อคุณโยนได้พยายามอยู่อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตของคุณโยนก็จะสงบถึงขั้นสุดท้ายอัปปนาสมาธิจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกเลย ไม่ส่งไปในอดีตเลยไม่ส่งไปนอนาคตเลยพุโทโธก็หายไปลมหายใจก็ขาดหายไปบัด น, นี้มีแต่อุเบกขาเฉยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในกายเลยรู้เฉยอยู่อย่างเดียวนี่แหละเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาภาวนา ของใครที่ได้สมาธิดีแล้วก็ให้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาภาวนาในการยกจิตขึ้นสูวิปัสนาภาวนานั้นให้เอาสติเอาจิตจ้องจับไว้กับนามรูปหรือขันห้าของลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าทีหนึง่งนามรูปขันห้าเกิดดับทีหนึง่งลมหายใจออกทีหนึง่งนามรูปขันห้า เกิดดับที่หนึ่งให้จ้องจับอยู่กับนามรูปนี้เท่านั้นให้จ้องจับอยู่กับนามรูปนี้เท่านั้นในเรื่องของวิปัสสนาดูมันเกิดดูมันดับมันเกิดเมื่อไรมันดับเมื่อไรมันเกิดที่ไหนมันดับที่ไหนจับให้ชัดเจนแล้วนั่นแหละต่อไปโยมก็จะเกิดปัญญารู้เห็นนามรูปขันห้า เป็นอ่านิจังทุกครั้งอนัตตาต่อไปเอา้าตั้งใจดูนิยมนะของใครอยู่ในภาคสมาธิก็ให้จิตสงบเป็นสมาธิของใครอยู่ในภ า, า, นาคภาวิปัสสนาก็ให้จิตอยู่กับรูปกับนามเท่านั้นไม่ไปอยู่กับอย่างอื่นเลย